ภาวนาก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาภาวนากันมานานพอสมควรแนละ้วจิตใจก็เปลี่ยนเมื่อสัก2องสาปีก่อนถ้าใครภาวนาแล้วจิตไม่ตื่นนะสอบตกมาถึงวันนี้ถ้าใครจิตตื่นอยู่แค่นี้สอบตกแล้วมาตรฐานเราเปลี่ยน มาถึงวันนี้เราต้องแยกธาตุแยกขันเป็นเป็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันอย่างร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นคนละอันกับจิตร่างกายกับร่างกายก็เป็นโคนละอันอีกร่างกายที่หายใจออกก็อันหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าก็อันหนึ่งร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นคนลออันคนละอันเปลี่ยนไปเรื่อย ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่บางคนไม่ถนัดดูกายก็ต้องดูจิตก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์กัจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายก็เป็นคนละอันกันบางคนไม่ถนัดดูเวทนาดูสังขารจะเห็นว่ากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงกับจิตเนคละอันกันแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายแน่นอน เห็นขันมันทำงานบางคนสติปัญญาไวกว่า น, นั้นอีกเห็นจิตแต่ละดวงเป็นโครานกันจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งนะแล้วก็เกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเป็นอีกดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายจิตที่คิดนึกทางใจโครานกันหมดเกิดแล้วก็ดับหมดเลยหาดใหม่ๆยังไม่เห็นว่าจิตเป็นโคละดวง ก็คิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาอันนี้สติปัญญายังไม่พอถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอก็จเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับลงนะเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับลงเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นจิตมันมี ความสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆจิตระหว่างดวงหนึ่งกับดวงหนึ่งนะมีช่องว่างเล็กๆหมักขั้นอยู่ไม่ติดเป็นดวงเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราเห็นได้ถึงขนาดนี้เรียกว่าสันตติขาดการที่เราเห็นขันแยกส่วนออกไปเรียกว่าคณะคอละขังหนอ น, นูคณะแตกกลุ่มก้อนแห่งความเป็นตัวตนแตกคณะแตก การที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายขาดออกจากกันอย่างจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นโครานกันนี่เรียกว่าสันตติขาดมีเรื่องแต ก, แต ก, แต ก, แตกหกักเสียหายหมดเลยค่อยภาวนามากเข้ามากเข้าสติปัญญามันค่อยเห็นไป เราไม่ใจร้อนไม่รีบร้อนใจร้อนไม่เห็นหรอกคิดคิดเอาอยิ่งไปกันใหญ่ฟุง้งซ่านถ้าทาใจให้สงบทําใจให้สบายให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ค่อยๆสังเกตเอาร่างกายกับใจเขคุ้นล้านกันถ้าดูตรงนี้ไม่ออกไม่ถนัดดูกายาก็ดูจิตก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนี่เรียกว่าเจตสิก แล้วก็ตัวจิตเองนะเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันเป็นโคแานโคแานเจตสิกก็ได้แก่ตัวเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆนะ่ตัวสัญญาดูยากเบ้นไว้ก่อนเพราะสัญญาของเรามันวิปลาสนะสัญญาเรายังคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเราเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะ ไปหมายรู้เอาของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปหมายรู้ของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตเนเนี่ยสัญญาเราอย่างเพี้ยนอยู่ปล่อยไปก่อนแล้วดูเวทนาไปดูสังขารไปนะเวทนาอย่างไงก็แสดงความจริงให้ดูความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเกิดแล้วก็ดับไปดับไปหรือถ้าเห็นตัวจิตแท้ๆก็เห็น จิทตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเนะี่าเฝ้ารูเฝ้าดูให้มากไปถ้าฟังอย่างนี้ยากนะเอาง่ายๆก็ได้เอาวันเดียวก็พอนะดูเวทนาก็ได้คอยตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นเรื่อย่อ ย, อยเรียกเวทนานุปัสสีอนุปัสสนะีคือตามรู้เนื่องๆซึ่งเงงวท น, นาความสุข กกเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ถ้าตามรู้มากๆต่อไปก็จะเห็นตามเห็นอนิจจานุปสัสสีเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่ฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะปัญญาค่อยแกะกล้าสุดท้ายมันสลัดออกสลัดคืนเห็นจิตสลัดตัวออกจากเวทนาแต่ก่อนจะสลัดตัวนะีมันจะเห็นความครตัวของจิต คลายความยึดถือเริ่มเป็นกลางต่อเวทนามากขึ้นมากขึ้นนะคลายความยึดถือเวทนาคลายความยึดถือกายคลายความยึดถือจิตไม่ดูเวทนาแล้วก็คลายความยึดถือกายยึดถือจิตได้ด้วยเพราะเวทนาเกิดที่กายเกิดที่จิตตัวเวทนาไม่เที่ยงนะตัวกายก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์เวทนาบังคับไม่ได้กายก็เป็นด้วยจิตก็เป็นเหมือนกัน จะคลายความยึดถือเอาเรียกว่าวิราคานุปัสสีถนะ้าคลายเต็มที่มันสลัดคืนไปเรียกปฏิสัคคานุปัสสนะีมีคำว่าอนุปัสสีต่อท้ายนะแล้วตามเห็นทำไมต้องตามเห็นเพราะนา ม, มาทำต้องตามเห็นนะไม่เหมือนรูปธรรมรูปธรรมนรู้ลงปัจจุบันไปเลยรู้ลงปัจจุบันนะแต่ความจริงคาว่าตามรู้ตามเห็นนะเป็นการบอกเรา ว่าจะไปดัก่าไปจ้องไว้ก่อนจนะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมไม่ใช่ไปจ้อ ง, องใส่มันนะไปดักดูว่าไม่ใช่มีอะไรก็รู้ไปอย่างนั้นนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้เอาเวทนาสัญญาสังขารจิตเคลื่อนไหวไปก็ค่อยรู้เอนะไม่ไปดักดูไม่ไปจ้องดูไม่ไปบังคับไวนะ้ตามรู้เนืองเนืองตามรู้บ่อย ดูบ่อยๆใจก็ค่อยคลายออกคลายออกอย่าตามรู้เวทนาเรียกเวทนานุปัสสีตามรู้เวทนามากๆก็จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนานะเรียกอนิจจานุปัสสีเห็นมันไม่เที่ยงมากเข้ามากเข้านะสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงนะมันก็คลายความรักใคร่พอใจยินดีในสุขที่เราเกลียดทุกข์ก็เพราะเราชอบสุขเราเกลียดทุกข์เพราะเราชอบความสุข ถ้าเราหมดความรักใคร่ในความสุขเราก็จะไม่เกลียดทุกข์ด้วยจะเป็นกลางังนั้นตรงที่คลายความรักใคร่ยินดีในสุขขเวทนานวิราขานุปัสสีแจมแจ้งก็ปล่อยสลัดทิ้งสลัดได้จริงๆนะจิตมันสลัดจิตมันสลัดขันออกไปกะเด็นออกไปจากจิตจากใจไม่ไดีสระขึ้นมา ต้องฝึกนะเป็นเรื่องแปลกจิตไม่มีมือนะแต่จิตยึดได้ <c oughs> ใช่เห็นจิตยึดอารมณ์จิตเข้าไปยึดอารมณ์รู้สึกไหมไม่มีมือนะแต่เข้าไปจับได้แปลกดีบางคนบอกเหมือนมีงวงยึดต่อไปจับ <c oughs> นี่เราดูของจริงนะที่เกิดขึ้นในกายในใจบ่อยๆไม่ใช่ดูกายดูใจเรารู้สึกกายรู้สึกใจนะ เพื่อจะได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่ดูกายดูใจเฉยๆถ้าดูกายดูใจก็เป็นสมถะอย่างเราเห็นท้องฟองท้องยุบจิตไม่หนีไปอย่างอื่นเลยเห็นแต่ท้องฟองท้องยุบอันนี้สมถะจิตไปรู้ลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจจิตจ่ออยู่กับลมหายใจนนี้สมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนา อย่างบางคนไปเห็นว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงไม่เป็นไตรักษ์เลยจิตเป็นนิจจังแล้วก็รู้สึกว่าจิตเนี่ยฝึกแล้วมีแต่ความสุขจิตเป็นสุขขังจิตเนี่ยอยู่ในอำนาจบังคับได้เป็นอัตตาแทนที่จะเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะดันไปเห็นจิตเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมานี่ยมิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยหรือน้อมจิตให้ว่าง มีความสุขอยู่ยงั้นน่ะนานไปไม่ปรุงแต่งของหยาบขึ้นมาก็คิดว่าจิตพ้นจากความปรุงแต่งความจริงจิตปรุงแต่งแต่แต่งพบละเอียดแต่งอรูปประพรมแต่งอรูปประภูมิขึ้นมาแล้วอยู่กับความว่างๆแล้วบอกว่าจิตไม่ปรุงแต่งเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกจิตติดอยู่ในพบว่างๆต้องภาวนาแล้วใช้ความสังเกตนะชโยนิโสมนสิการให้มากสังเกตให้มาก จิตของเราดําเนินไปถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไหมที่เราว่าเราบรรลุเราบรรลุบางคน น, นีบรรลุโน้นบรรลุนี้นะเป็นชั้นนั้นชั้นนี้พอเจอเรื่อยๆพาให้ดูกิเลสนั่นแหละไม่ต้องค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตนะมันไม่ยากแต่ต้องอดทนแล้วก็อย่าเข้าข้างตัวเองค่อยๆสังเกตเอา เมื่อทีเราพานาจิตเกิดอะไรแปลกๆแล้วคิดว่าได้โน้นได้นี้ต้องสังเกตอันแรกเลยในขนาดที่ว่าไม่มีกิเลสนะั้นจิตไปติดไปล็อกอยู่ในภพภูมิใดๆหรือเปล่า mm hmm. ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเป็นล็อกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเราจะพาจิตไปติดในความนิ่งความว่างความสว่างนะเราบอกเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งไม่หยุดเลยนะว่างสว่างจริงแต่ไม่บริสุทธิ์ ไม่หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาเพราะว่าหลงแล้วหลงผิดคิดว่าอันนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยเลยไม่สแสวงหาต่อไปแลหยุดกิริยาของจิตไม่หยุดอันนี้กิริยาของจิตไม่หยุดก็ยังปรุงความว่างอยู่แล้วก็ถูกความว่างกลับมาปรุงอีกปรุงจิตอีกต้องค่อยดูนะต้องค่อยละเอียดนี่เราเฝ้าดูนะว่าเราได้ทําเหตุที่จะทําให้ได้มากผลหรือเปล่า ถ้าเรายังไม่ได้ทําเหตุที่จะทําให้ได้มรรคผลแล้วคิดว่าได้มรรคผลก็เพี้ยนนั่นแหละเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจบ่อยๆไหมนะถ้าไม่เห็นเลยนะไม่มีทางหรอกนั่งเพ่งจิตนิ่งๆ น, นะนั่งเพ่งนั่งเพ่งจิตเก็ได้นะนั่งเพ่งความว่าง นั่งเพ่งความว่างก็เรียกว่าทำอากาสานัญจายตนะนั่งเพ่งจิตเรียกทำวิญญาณัญจายตนะนั่งเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียอากินจัญญาญตนะแล้วสมมติว่าไปนั่งเพ่งอะไรอยู่สักอย่างนะประคองจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งมีการประคองไว้ฝึกไม่ได้ฝึกเห็นรูปนามเกิดดับแต่ฝึกประคองเนี่ยถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ผิดนะมันไม่มีทางบรรลุหรอกนะบางคนนะฝึกประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะ ไม่ได้ฝึกเห็นจิตแสดงใจรักไม่ได้ฝึกเห็นรูปธรรมแสดงใจรักไม่ได้ทําเหตุที่จะให้บรรลุมรรคผลไปประคองจิตให้ว่างๆแล้วก็มันก็เลยค้างอยู่ตรงนั้นเพราะจิตมีธรรมชาติที่เคยชินเป็นไปตามความเคยชินเพราะจิตเคยชินที่จะถูกน้อมให้ว่างนั้นก็ว่างไปด้วยพอจิตมันว่างๆแล้วก็คิดว่าเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมันก็ว่างความจริงมันทําไปจนชํานาญจิตมันไหลไปตามความเคยชิน นี่เป็นธรรมนิยามข้อหนึ่งนะกฎของธรรมะข้อหนึ่งก็คือจิตเนี่ยเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้นะแต่จิตเนี่ยฝึกได้แล้วจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินถ้าเราฝึกตัวเองให้ขี้โมโหนะมันจะเคยชินที่จะโมะโหมจะโมะโหเร็วขึ้นแรงขึ้นได้่อยเคยฝึกจิตให้มันว่างๆนะจิตมันก็จะชินกับความว่างต่อไปไม่มีอะไรทําก็น้อมเข้าหาความว่างแล้วบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะ จริงทำมาจนชำนาญนะล้วก็ต้องดูนะว่าเราไปปลุงอะไรขึ้นมาหรือเปล่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นหนทางที่บรรลุมรรคผลหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําหนทางไม่ได้เดินในหนทางที่บรรลุมรรคผลแล้วบอกว่าบรรลุเนี่ยเข้าใจผิดแล้วละ่ะไม่ได้ทําเหตุจะมีผลได้ไงทําเหตุอย่างใดก็ได้ผลอย่างนั้นถ้าเจริญปัญญาไปนะเห็น รูปธรรมานามธรรมา ท, ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปถ้าต้องอย่างนั้นมันถึงจะค่อยๆจางคลายออกเกิดวิราคะคลายออกสลัดคืนเกิดปฏินิสักะดังนั้นต้องเห็นนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไปอย่านึกว่าดีอย่านึกว่าแน่อย่านึกว่าเก่งทำจิตว่างๆไม่ได้เรื่องหรอกคสอนของหลวงปู่ดูลนึกซึ้ง หลวงปู่ดูลไม่สอนแบบหลวงพ่อนะหลวงพ่อสอนเป็นขั้นๆสอนให้จบเลยหลวงปู่ดูลสอนคนแต่ละคนสอนทีละคนเพราะงั้นท่านจะบอกทีละสเต็ปคนนี้อยู่ตรงนี้ท่านก็สอนให้ทำตรงนี้คนนี้ทํามาตรงนี้แล้วท่านก็สอนอีกสเต็ปท่านสอนอย่างนั้นเป็นสเต็ปสเต็ปครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเป็นงนั้นนี่หลวงพ่อสอนวงกว้าง สอนวงกว้างเขาสอนภาพรวมมันเห็นแผนที่ทั้งฉบับเนี่ยสอนทีละสเตปพวกเราหลงทางตายเลยเพราะแต่ละคนอยู่ในคนละจุดกันงั้นอย่างเราไปหาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดุลนะถ้าจะถามว่าหลวงปู่ดุลสอนอะไรเนี่ยต้องสํารวจให้มากนะอย่างถ้าเราเคยไปเรียนอย่หลวงปู่ดูลเราไม่เคยรู้เลยหลวงปู่ดุลสอนคนอื่นว่ายังไงนะเราก็สรุปว่าหลวงปู่ดุลสอนอย่างเนี้ยไม่มีอย่างอื่นหรอกนี่เข้าใจผิดร้ายแรงมากเลย อย่างบางคนนนะชอบออกนอกชอบเล่นคุณสายเล่นอะไรออกนอกหลวงปู่ก็สอนให้รักษาจิตอยู่ข้างในไม่ให้ออกนอกแล้วตลอดชีวิตทำอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจผิดสิอันนั้นจิตยังไม่ตั้งมั่นท่านสอนให้ตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่งั้นแลตลอดชาติมันก็ไปไม่รอดนะพอจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านออกไปนะมีเป็นสเต็ปเลยนะขั้นแรกเลยฝึกให้สงบ สำหรับคนที่ยังไม่สงบเลยให้พุโทโธไปให้หายใจไปให้ดูกระดูกให้รักษาจิตให้ว่างไม่คิดนึกความคิดนึกเกิดขึ้นปัดทิ้งอันนี้อยู่ในกลุ่มที่ท่านสอนสมถะสมถะเพื่อความสงบอีกพวกหนึ่งขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งท่านจะมาสอนสมาธิชนิดตั้งมั่น สอนอย่างสอนพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตไปคิดแล้วรู้ก็มาพุทโธจิตเคลื่อนแล้วรู้ในส่วนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นแล้วขืนไปประคองจิตอยู่กับความตั้งมั่นทั้งชีวิตนั้ท่านก็ว้าวอีกอย่างหลวงพ่อ้ก่อนที่จะไปเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยจิตหลวงพ่อตั้งมั่นอยู่แล้วทําสมาธิมาตั้งแต่เด็กจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้ว ท่านให้สอนให้ดูจิตดูจิตนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาละวเป็นขั้นเจริญปัญญาเพราะจิตมันตั้งมั่นแล้วท่านบอกให้ไปดูจิตอ๋อท่านก็แยกแยะนะบางคนท่านให้เจริญปัญญาด้วยกันดูกายบางคนก็ดูจิตแต่ละคนหลวงปู่สอนไม่เหมือนกันพอหลวงพ่อได้ยินท่านสอนให้ดูจิตไม่เข้าใจก็ไปรักษาจิตให้ตั้งมั่นนะ แยกออกจากอารมณ์แล้วประคองเอาไว้ตลอดเลยรักษาจิตเอาไว้รักษาตัวรู้ไว้ฝึกอยู่3เดือนนะแล้วไปหาท่านส่งกันบ้านท่านบอกทําผิดนะไปแทรกแสงอาการของจิตนั้นประเภทไปรักษาจิตให้ว่างๆรักษาตัวรู้นิ่งไว้เฉยๆหลวงปู่ ด, ดูลเรียกว่าแทรกแสงอาการของจิตแล้วปล่อยให้มันทํางานไปถึงขั้นที่จะเจริญปัญญานะถ้าคนไหนควรเจริญปัญญา ด้วยการดูจิตท่านจะสอนประโยคเด็ดกมาอนหนึง่งจงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปนะตาไม่ใช่เห็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่หมาแมวต้นไม้ภูเขาตาเห็นรูปเห็นอารมณ์ปรมัภณ์นั่นเองมียานเห็นจิตยานแปลว่าปัญญานะเห็นจิต ญาณไปเห็นจิตจะเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะจิตเองก็ถูกเห็นจิตก็ถูกเห็นเหมือนตาเห็นรูปรูปเป็นอารมณ์ปรมัตตตัวจิตนั้นจะเป็นอารมณ์ปรมัตตเห็นจิตตัวจริงไม่ใช่ตัวจิตเอางั้นคำว่าจงทําญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปไม่ใช่ไปนั่งจ้องจิตถ้านั่งจ้องจิตถ้าจะใช้คําว่าจงทําสติเห็นจิต เหมือนตาเห็นหมาเห็นแมวเหมือนเราเห็นจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ไปจ้องอยู่คำว่าญาณแปลว่าปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์วิชาเห็นอะไรวิชาเห็นอริยสัจนี่กลุ่มของปัญญาเหมือนกันนะแต่การเห็นนั้นไม่เท่ากันมีญาณก็เห็นไตรลักษณ์ความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจิตตัวจริงที่เป็นอารมณ์ปรมัติ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 เราไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงพ่อรวบรวมมาจากคำสอนที่ท่านสอนลูกศิษย์เนี่ยสารพัดเลยจำนวนมากเลยเวลาไปหาหลวงปู่นะส่งกันบ้านหลวงปู่เสร็จแล้วจะออกมาคุยกับพระอุปถากบ้างนะจะไปหาโยมคนะาววาะญาติโยมที่เรียนจากหลวงปู่ก็มีเยอะสมัยนัน้นเพะฉะนั้นเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลมาได้เยอะมากเลย ถึงจะสรุปได้ว่าหลวงปู่สอนไว้หลากหลายมากสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านสอนสมถะนะให้ดูผมเส้นเดียวก็มีท่านเก่งจริงๆนะสอนลวงพ่อคืนไปดูผมเส้นเดียวอะไรเงี้ยสอนหลวงพ่องานให้ไปดูกระดูกเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนบางคนก็ให้ดูประคองจิตไม่ให้คิดนึกสอนพวกฟุ้งมากๆสอนยังมีเป็นโยมก็มีบวชอยู่ก็มี ที่ส อ, อย่างเนี้ที่ศึกไปแล้วก็มีเพราะว่าทําได้แค่นั้นนะไม่ต่อเงั้นเราต้องเรียนต้องต้องระวังให้ดีนะฟังครูบาอาจารย์มันต้องลงกันได้กับคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ได้เดินมิปัสสนาอยู่ถ้าไม่ได้เดินวิปัสสนาอยู่มรรคผลไม่มีหรอก นั้นต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของรู ป, ปรธรรมนามรธรรมเห็นจิตนั้นเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ <c oughs> พอไหวไหม ย, <c oughs> ยังไม่หมดนะหลวงปูด่ดูลสอนโยกว่า น, นั้นอีกเจนทั้งเราภาวนานะเข้าถึงจิตถึงใจที่แท้จริงแล้วเนี่ยโดยภูมิธรรมมันก็จะมีภูมิธรรมอยู่ระดับหนึ่งที่ไปรักษาจิตเอาไว้ ตัวรู้เนี่ยทรงตัวเด่นดวงอยู่แต่มันรักษาโดยไม่ต้องรักษาเลรักษาโดยไม่ต้องรักษาอันนี้ฟังโดยภาษานะคล้ายๆกับพวกที่ไปติดความว่างแต่พวกนั้นไม่เคยผ่านมิปัสนาพวกนั้นก็ได้แต่ว่างงั้นเวลาเข้าอารูปนะกับ น, นิพพานเนี่ยคล้ายๆกันถ้าไม่ชำนาญก็นึกว่าอันเดียวกันจริงๆไม่ใช่ ไปติดนิ่งติดว่างเนี่ยอันนี้เบสิกเลยต่อมาก็มาฝึกให้มีตัวรู้พอมีตัวรู้แล้วก็ทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตและเจตสิกการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูลุงปู่บอกงี้เลยนะจิตนั้นไม่มีอะไรให้ดูเลยไม่มีร่องรอยไม่มีรูปลักษณ์อะไรให้เห็นงั้นเวลาดูเราดูผ่านตัวอื่น ดูผ่านเจตสิกก็ได้ดูผ่านเวทนาก็ได้หลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดุลดูจิตสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาเห็นไหมสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆแต่ดูจิตที่ประกอบกับสังขารและสัญญา อาศัยสัญญาก็ปรุงสังขารขึ้นมาความจริงตัวที่ทําให้ปรุงสังขารขึ้นมามีอีกตัวหนึ่งคือเวทนาแต่หลวงปู่มั่นท่านก็เก่งท่านก็เห็นว่าหลวงปู่ดูลเรียนแค่สัญญาตัวเดียวก็พอแล้วก็จะไปเห็นสังขารปรุงอาศัยสัญญาเวทนานี่แหละสังขารถึงปรุงเมื่อสังขารปรุงแล้วนะั่นจะเห็นว่าจิตนี่มีความแตกต่างกันจิตที่ดีก็แบบหนึ่งดีแบบ ดีเฉยๆนะก็อย่างหนึ่งดีประกอบด้วยปัญญาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะจิตที่ชั่วก็มีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตโดหดทูอะไรนาน า, นานชนิดนะเนี่ยเราจะเห็นในจิตแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันมันจะสะท้อนให้เห็นว่าจิตนั้นเกิดดับตัวจิตไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยเราไปดูมันตรงๆจะไม่เห็นอะไรเลยจะว่าง เพรา้เราจะเห็นความเกิดดับของจิตได้ต้องเห็นผ่านเจตสิกหรือผ่านอายตนะเราเห็นว่าจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับนี่เห็นผ่านเวทนาเห็นจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่โกรธที่หลงเกิดแล้วดับไปนี่อันนี้เห็นผ่านสังขารก็เป็นเจตสิกอีกตัวหนึ่งเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนดูคระภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาหมดูผ่านรัก ราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาดูขราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมก็ดูจิตเท่าดูั่า์สังขาร น, นี่สังขารเนี่ยที่มาของมันคือสัญญาและเวทนามีความสุขเกิดขึ้นใจก็ปรุงยินดีพอใจมีความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ปรุงไม่พอใจใจก็ปรุงโทสะขึ้นมา อยู่ๆหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาใจก็ปรุงสัญญาผุดขึ้นมาใจก็ปรุงไปหมายลงไปหมายลงไปก็เกิดการปรุงปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาอีกอาศัยสัญญาและเวทนานสังขารก็ปรุงอาศัยสังขารที่เกิดดับไปนั้นทให้เห็นว่าจิตที่เกิดดับร่วมกับสังขารนั้นเกิดดับไปด้วยในการดูจิตก็ดูกันอย่างนี้ดูให้เป็นหลวงปูดด่ดนดูอยู่ไม่กี่เดือนนะก็เห็นอริยสัจแห่งจิต ถ้าไม่ได้ผ่านการเห็นตัวทุกขมาก่อนนะเห็นความเกิดดับเห็นตัวความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนี้จะไม่เห็นเลยจิตนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์แล้จะไม่เห็นอริยสัจแห่งจิตงั้นะจะไปว่า ง, างๆเฉยๆภาวนาไปเรื่อยนะสุดท้ายมันจะหมดความยึดถือกายไปก่อนนะจิตถึงเราดูจิตไปเรื่อยนะมันจะหมดความยึดถือกายเพราะว่ามันฉลาด มันรู้ว่าถ้ายึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทาพะาทั้งหลายถ้ายึดในตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายมันจะทุกข์ถ้ามีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์จิตเลยไม่ยอมอยากไม่ยอมยึดเลยอยู่เฉยๆอยู่นั่นภูมิธรรมของพระนักขาหลวงปู่ดูลสอนธร ร, รมะขั้นสุดท้ายอย่างอีกขั้นหนึ่งนะท่านสอนไปสองคนสอนหลวงพ่อพูดกับสอนหลวงพ่ออันเนี้ย สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพวกเราอย่าเพิ่งทําลายนะถ้าทําลายสติแตกทันทีเลยมันเกินภูมิของพวกเราพวกเราเอาแค่มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเรื่อยๆไปนะดูอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจหรอกเพราะว่าจริงๆแนละ้วจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างท่องแท้นะเห็นด้วยจิตจริงๆเห็นด้วยญาณจริงๆด้วยปัญญาจริงๆจะเป็นพระโสดาบันถ้าวันใดเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์อย่างท่องแท้จนะเป็นพระอรหันต์เห็นไหมก็ยังต้องเห็นจิตตกอยู่ใต้ใจรักนะถึงจะได้ธรรมะไม่ใช่ว่างๆนะอย่างนั้นไม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคสอนของฤาษีถาเชิญไปทนานข้า